19. สมถะและวิปัสนาวงเล็บเปิด 7. พฤษภาคม2552วงเล็บปิดพรุ่งนี้วันวิสาขบูชาพระพุทธเจ้านิพพานไป2500กว่าปีแล้วคนอื่นๆตายไปร้อยปีคนก็จำไม่ได้แล้วหรือเหลือชื่ออยู่ในพงศาวดารก็เหลือแบบเลือนลางเต็มทียังพงศาวดารเรามีเรื่องพระนเรศวรเยอะดูไปแล้วนิดเดียวแต่เรื่องของพระพุทธเจ้าคนยังจาไว้ได้เยอะ ท่านไปเทศตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างนี้เทศให้ใครฟังเทศเรื่องอะไรเทศแล้วมีผลเป็นอย่างไรยังดีนะรักษาสืบทอดกันมาได้ขนาดพระปริยัติท่านก็รักษาคำภีเอาไว้สำคัญมากเลยเพราะฝ่ายปฏิบัตินี่มันสูญเป็นระยะระยะหายเป็นช่วงๆไปสังเกตดูครูบาอาจารย์สายปฏิบัตินะธรรมะของท่านจะบูมในวงเล็บรุ่งเรืองอยู่ราวๆหาิปีเท่านั้นแหละ แล้วแต่ละองค์แต่ละองค์จะค่อยๆหายไปหรือไม่ก็เพี้ยนอาศัยว่ามีคมภีร์ที่พระปริยัติรักษาเอาไว้สําคัญมากถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้นี่าศาสนาคงสูญไปแล้วเพราะใครๆก็อ้างว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้สอนอย่างนี้สอนจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้มาถึงวันนี้พวกเราจเจริญสติเป็นเรารู้สึกไหมเราไปไหนใครๆก็อ้างคําสอนของพระพุทธเจ้าบอกให้ปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้พอเราเรียนแล้วเรารู้ว่ามันไม่ใช่หรอก ยังดีนะว่ายังมีมาตรฐานกลางอยู่คือปริยัตเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติอย่าไปดูถูกปริยัตนะส่วนนักปริยัตจะดูถูกนักปฏิบัติก็เรื่องของเขาแต่เขาก็ดีนะเขาอุตส่ารักษาไว้ถ้าเรียนแล้วไม่ปฏิบัตินี่มันขาดทุนถ้าเรียนปริยัตแล้วก็ต้องปฏิบัติด้วยเพราะเรียนปริยัตก็เพื่อจะปฏิบัตินั่นแหละถ้าเรียนได้ปริยัตได้ปฏิบัติได้ปฏิเวทได้ครบแล้วก็จะทํางานได้เยอะเผยแพร่ได้ดีมีมาตรฐานเลย ไม่อย่างนั้นแต่ละคนก็จะบัญญัติศับของตัวเองขึ้นมาพูดแล้วไม่เหมือนกันแต่ละวัดแต่ละสำนักนานๆนไปก็ตีกันสำนักไหนถูกสำนักไหนผิดถูกอะไรถูกใจไม่ใช่ถูกกับตำรับตำราที่เรียนมาถูกใจหรือไม่ถูกใจเท่านั้นเองสุดท้ายกลายเป็นถูกกิเลสหรือไม่ถูกกิเลสเท่านั้นธรรมะนี่นะถ้าเราตีความเมื่อไหร่มันจะตีความเข้าข้างกิเลสฉะนั้นต้องเรียนให้ดี ธรรมะแต่ละคำที่พระพุทธเจ้าสอนมีความหมายทั้งสิ้นแล้วความหมายนี้คงตัวไม่ใช่ความหมายที่พลิ้วไปพลิ้วมาตามใจชอบอย่างคำว่าสัตว์โลกนี่อะไรคือโลกท่านบอกโลกคืออะไรโลกก็คือหมู่สัตว์ใช่ไหมบางทีท่านก็สอนว่าโลกคือหมู่สัตว์แต่คนซึ่งจะเจริญสติเจริญปัญญา น, นี้พระพุทธเจ้าไม่สอนนะว่าโลกคือหมูสัตว์นี่ธรรมะของท่านไปอีกระดับหนึ่งท่านว่าโลกคือรูปกับนามแล้วท่านก็สอนอีก ทุกคืออะไรทุกขคือรูปกับนามฉะนั้นโลกกับทุกขเท่ากันใช่ไหมโดยหลักของคณิตศาสตร์อันเดียวกันนั่นแหละโลกก็คือตัวทุกขนั่นเองโลกก็คือรูปกับนามคือขันห้าเป็นตัวทุกข์นิยามศัพท์แต่และคำแต่ละคำของท่านมีความหมายเฉพาะเราภาวนาได้เรื่องได้ราวแล้วต้องลองเรียนดูจะรู้เลยว่าท่านสอนได้เป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะไม่มีคลาดเคลื่อนเลยแต่ถ้าเราไม่ภาวนาแล้วเราไปเรียนอย่างเดียวนะ เราก็จะตีความแป่งไปเพี้ยนไปอย่างคนเรียนอภิธรรมบางคนก็รู้นะเรียนทุกคนก็รู้ทุกคนนั่นแหละถ้าเรียนไปถึงปริเชทที่เเรื่องสมถะกับวิปัสนามันมีคำอยู่สองคำคำว่าในเครื่องหมายคำพูดอารามณูปนิชฌานการเพ่งอารมณ์กับในเครื่องหมายคำพูดลัคนูปนิชฌานการเพ่งลักษณะเรียนมาตลอดเลยรู้เลยว่าในเครื่องหมายคาพูดอารามณูปนิชฌาน เป็นสมถะแต่พอลงมือทําวิปัสนานะทั้งๆที่เรียนเยอะนี่ก็ไปทําสมถะไปติดสมถะโดยคิดว่าทําวิปัสนาอยู่เพราะอะไรเพราะไปจ้องรูปนามคิดว่าถ้ารู้รูปนามก็เป็นวิปัสนานี่ขนาดเรียนมาเยอะอย่างเพี้ยนขนาดนี้เลยคิดว่าถ้ารู้บัญญัตินี่เป็นสมถะถ้ารู้อารมณ์รูปนามเป็นวิปัสนามันไม่ตื้นขนาดนั้นสมถะจริงๆใช้อารมณ์อะไรก็ได้ไม่เลือกอารมณ์เลยใช้อารมณ์บัญญัติก็ได้ เช่นท้องพุโทโธพุธโทโธไปใจสงบใจอยู่กับอารมณ์พุโทโธแล้วสงบอย่างนี้ก็ได้อยู่กับอารมณ์ปรมัต a t คืออารมณ์รูปนามก็ได้อย่างเราดูท้องพองยุบอยู่นี่นะจิตจับอยู่ที่ท้องอย่างเดียวเลยเพ่งอยู่ที่รูปรูปตัวนี้เป็นตัววัตถุนะเป็นมหาภูต ร, รูปเพ่งรูปอยู่ก็เป็นสมถะเพ่งรูปก็คือเพ่งกสินนั่นแหละเพราะฉะนั้นเดินจงกรมนะเพ่งเท้าไปเรื่อยเพ่งเพ่ ง, เ พ, งเพ่งไปเรื่อย ตัวลอยตัวเบาตัวโครงตัวเล็กตัวใหญ่ตัวหนักรู้สึกขนลุกสู้ซารู้สึกเหมือนอะไรมาไตา่ก็ไปบอกว่าเป็นวิปัสนาญาณเรื่องของสมถะทั้งนั้นเลยมันเพ่งอารมณ์เพราะไปเข้าใจผิดว่าถ้าเพ่งรูปนามแล้วก็เป็นวิปัสนาอารมณ์แบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆคืออารมณ์บัญญตัติคือเรื่องราวที่คิดขึ้นมากับอารมณ์ปรมัตอารมณ์ปรมัตก็มีสองส่วนส่วนที่เป็นโลกิยะกับส่วนที่เป็นนิพพาน พ้นความปรุงแต่งดูรูปดูนามที่เป็นส่วนโลกิยะก็เป็นสมถะเพ่งรูปเพ่งนามเพ่งนิพพานก็เป็นสมถะเพ่งได้นะไม่ใช่เพง่งไม่ได้พระอริยะเวลาท่านจะเข้าสมบัตินี่บางทีเข้าพละสมบัติไปรู้นิพพานไม่ได้รู้รูปรู้นามนะรู้นิพพานก็เป็นสมถะฉะนั้นอารมณ์ของสมถะไม่เลือกเลยบัญญัติก็ได้รูปนามก็ได้นิพพานก็ได้ส่วนอารมณ์ของวิปัสสนา อันแรกเลยต้องรู้รูปนามรู้บัญญัติไม่ได้เพราะบัญญัติไม่มีจริงรู้นิพพานไม่ได้เพราะนิพพานไม่มีไตรลักษณิพพานมีเอกลักษณ์เท่านั้นคือนิพพานเป็นอนัตตาทีนี้ครูบาอาจารย์บางองค์ท่านบอกว่านิพพานเป็นอัตตานั่นโวหารท่านท่านเห็นนิพพานเที่ยงความจริงนิพพานเป็นนิจจังถ้าพูดให้ถูกภาษานิพพานเป็นนิจจังนิพพานเป็นสุขขังนิพพานเป็นอนัตตาคือไม่มีใครเป็นเจ้าของหรอก เวลาที่เรารู้รูปนามที่จะทำวิปัสนาไม่ใช่เห็นแค่รูปนามต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามถึงจะเป็นวิปัสนาจำไว้ตรงนี้จำไว้ตรงนี้สำคัญมากเลยเพราะฉะนั้นจะไปเห็นท้องพองยุบไปเรื่อยๆแล้วบอกว่าทำวิปัสนาอยู่ไม่ได้ทำหรอกเป็นสมถะรู้ลมหายใจไปเรื่อยๆแล้วบอกว่าทำวิปัสนาอยู่ก็ไม่เป็นหรอกเป็นสมถะนั่งคิดไปเรื่อยๆคิดเรื่องร่างกายเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะอะไรอย่างนี้ เป็นวิปัสนาไหมไม่เป็นเพราะเป็นบัญญตัติเป็นอารมณ์บัญญตัติคิดว่ามันเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะถามว่าปฏิกูลอสุภะมีจริงไหมไม่มีนะแต่อณิจังทุกขังอนัตตามีจริงปฏิกูลอสุภะไม่มีจริงไม่ใช่ตัวจริงอย่างไฟเป็นของร้อนใช่ไหมคนไปถูกไฟคนก็ร้อนหม้าไปถูกไฟหมาก็ร้อนนี่ไฟเป็นของจริงแต่พออสุภะเราเห็นหมาเน่าราบอกไม่ดีเหม็น แมลงวันบอกหอมหอมชื่นใจน้ำลายหยดติงต๋งๆเลยนี่มันไม่ใช่ของจริงของแท้แล้วมันเป็นบัญญัติของจริงของแท้มันต้องไม่แปรปรวนไปเป็นปารามัดมีสภาวะธรรมรองรับเพราะฉะนั้นเรารู้กายรู้ใจนี่ไม่ใช่แค่รู้กายรู้ใจอย่างเดียวนะถ้าเพ่งอยู่ที่กายที่ใจเฉยๆเป็นสมถะเพ่งที่กายเพ่งมากๆจะได้รูปฌานถ้าเพ่งเฉยๆแล้วก็ไม่สนใจความรู้สึกนะ จิตจะพลิกไปเป็นอสัญญาสัตตาเป็นพรมลูกฟักอย่างที่นั่งนั่งไปแล้วตัวแข็งๆหมดความรู้สึกนี่พรมลูกฟักพวกนี้เพ่งรูปเพ่งนามก็ได้นะเพ่งจิตเพ่งใจไปเพ่งความว่างเพ่งตัวจิตเพ่งความไม่มีอะไรน้อมใจลงไปให้เคริมเคลมอันนี้เป็นอรูปฌานก็เป็นสมถะอีกก็ใช้ไม่ได้เห็นไหมกระทั่งเพ่งรูปเพ่งนามยังไม่ใช่วิปัสสนาเลย กลายเป็นสมถะต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปของน้ำถึงจะเป็นวิปัสนาฉะนั้นถ้าเรามีสติอยู่บางคนอาบน้ําถูสบู่อยู่ถูถู ถ, ถ, ถูไปปุ๊บรู้สึกขึ้นมาเลยเฮ้ยนี่ท่อนๆท่อนอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่เราแล้วรูปลงไปแล้วเจออะไรอา้าวลองรูปแขนตัวเองอย่าไปรูปคนอื่นนะรูปแล้วเจออะไรเจอมือเจอแขนเจอข้อศอกหรือเจออะไรรู้สึกไหมมันมีความแข็งมีความหยุ่นเห็นไหมเราเจอธาต แต่ทุกวันตั้งแต่เด็กเราก็เคยรูปแขนมาแล้วใช่ไหมรูปเนื้อรูปตัวอะไรนี่แต่เรารู้สึกว่ารูปลงไปนี่เป็นแขนเป็นข้อศอกเป็นข้อมือนี่มือนี่นิ้วลูปลงไปแล้วไปเจออย่างนี้ไอ้นี่ไม่ใช่ของจริงนี่เป็นบัญญัติแต่พอรูปลงไปด้วยสติด้วยปัญญาจริงๆมันจะระลึกขึ้นมาได้ไอ้นี่เป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นธาตุดินไม่ใช่เราแล้วเรานั่งอยู่อย่างนี้นะแล้วรู้สึกว่านี่เป็นธาตุดิน นี่คิดเอาอย่างนี้ไม่ใช่ธาตุดินรู้ด้วยการสัมผัสทางกายแต่ละธาตุรู้ด้วยวิธีที่ต่างกันธาตุดินธาตุดิธาตุดิน่รู้ดวยกายุธาตุดินธาู้ด้นยใจุ้านธาดินธาคือินธาตุดินาตดินดิดินธาตุดาตุดนธาตุดินธาตุดินธดนาดิาตุดินธาตนานธาตุดินธาตุดิมาตุนธาตีดินาตุดนธาตุดินธานาดหนธานาตุนาุนธามีดินธาตุดินธาิาตุดินธานธานธาตุาดนธานาานธดนธาตุดินธธาตุดินธาต เพราะฉะนั้นหลายคนภาวนาที่ภาวนาเป็นนะแล้วมาถูสบู่มาลูบเนื้อลูบตัวรู้สึกเลยไม่ใช่เราแล้วเห็นเลยร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราถ้ามันนั่งอยู่อย่างนี้แล้วคิดว่ามันไม่ใช่เรามันก็เป็นคิดเอาหรือนอนอยู่นะบิที้เกียจแป๊บแปบแปรู้สึกขึ้นมาเลยตัวที่กำลังไหลยอยู่นี่ไม่ใช่ตัวเรารู้ด้วยอะไรรู้ด้วยใจทาไมรู้ด้วยใจร่างกายที่เคลื่อนไหวนี่เป็นรูปชนิดหนึ่งชื่อวิญยติรูป วินยติรูปนี่รู้ด้วยใจคำพีดีนะคำพีนี่สอนไว้เป๊ะๆ เ, เ, เลยแต่เวลาภาวนาภาวนาไม่เป็นเองแหละเพี้ยนไปจนได้ฉะนั้นเรานอนบิดขี้เกียจอยู่เห็นเลยตัวที่บิดขี้เกียจอยู่นี่ไม่ใช่เราตัวที่ยืนตัวที่เดินตัวที่นั่งไม่ใช่เราใจมันเป็นคนดูนะใจมันรู้เข้ามามันเป็นความรู้สึกไม่ใช่ความคิดเป็นความรู้สึกฉะนั้นให้รู้ลงไปที่กายรู้ลงไปที่ใจ แล้วก็เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของเขานี sure. assim, well, ่ถึงจะเป็นวิปัสนาวิปัสนาในเบื้องต้นทำไปเพื่อถอดถอนความเห็นผิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเราวิปัสนาในเบื้องปลายทำไปเพื่อถอดถอนความยึดถือว่ากายกับใจนี้เป็นของเราเพราะฉะนั้นเบื้องต้นมันจะละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราถ้าทำวิปัสนาถูกเบื้องปลายจะละความยึดถือว่ากายนี้ใจนี้เป็นของเราละความเห็นผิดว่าเป็นตัวเราก่อน แต่มันยังหวงอยู่นะหวงอยู่ยังเป็นของเราอยู่เราไม่มีแล้วแต่ยังหวงไว้แต่พอภาวนาไปถึงขีดสุดเลยกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆไม่เอาแล้วไม่ใช่ของเราแล้วของใครก็เชิญเอาคืนไปเลยสลัดทิ้งมันเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ของดีฉะนั้นวิปัสสนาเบื้องต้นนี่ทำไปเพื่อละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราเบื้องปลายเพื่อละความยึดถือว่าเป็นของเรา จะลักความเห็นผิดได้ลักความยึดถือได้ต้องเห็นมันเป็นไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นบางคนร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกแต่รู้อยู่ว่าตัวที่เคลื่อนไหวอยู่นี่ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่คิดนะรู้สึกรู้สึกกับคิดนี่ไม่เหมือนกันหรือเห็นแต่ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจวับวับวับๆับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะก็รู้สึกอีกว่าไอ้นี่มันเคลื่อนไหวเองไม่ใช่เราอีกรู้สึกฉะนั้นภาวนานะ รู้สึกกายรู้สึกใจรู้สึกเอาอย่าไปเพ่งแค่รู้สึกเอาพอรู้สึกมากเข้ามากเข้าก็จะเห็นเลยร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่นี้ไม่ใช่เราร่างกายที่หยุดนิ่งอยู่นี้ไม่ใช่เราร่างกายที่สัมผัสอยู่นี้ไม่ใช่เราสิ่งที่มองเห็นอยู่นี้รูปภายนอกที่มองเห็นอยู่นี้ก็ไม่ใช่เราตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่ใช่เราอะไรอะไรก็ไม่ใช่เราดูลงไปเรื่อยๆพอไม่ใช่เราแล้วมันดีอย่างไรดีตรงมันไม่ทุกนะ ถ้ามันเป็นเรานะเราก็ทุกไปกับมันเพราะร่างกายจิตใจนี้เป็นของแปรปรวนตลอดเวลาตัวมันนะ่ะเป็นทุกโดยตัวของมันเองแปรปรวนตลอดเวลาถ้าเราคิดว่านี่คือตัวเรานี่คือของเราเราก็จะพลอยทุกไปด้วยแต่ถ้าไม่ยึดถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเรานะสลัดทิ้งมันไปเกิดอะไรขึ้นในกายในใจนี้จิตจะไม่ทุกข์ด้วยอีกต่อไปใจมันจะพ้นออกมาเลยเวลาที่ภาวนานนะหลวงพ่อเคยพูดบอกว่า ภาวนาไปแล้วจิตมันแยกออกมาขันอยู่ส่วนขันจิตอยู่ส่วนจิตบางคนที่เรียนปริยัตบอกว่าเป็นไปไม่ได้เพี้ยนในพระไตรปิฎกมีท่านพูดถึงการเจริญสติปัฏฐานของพระอระหันต์ท่านบอกว่าเจริญสติปัฏฐานมีกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเป็นวิหารธรรมมีความเพียนแผดเผากิเลสหมายถึงว่าอันนี้ท่านเผาเสร็จแล้วนะแต่ว่าท่านทาความเพียนอยู่ เป็นเครื่องอยู่เครื่องเล่นของท่านมีสติมีความรู้สึกตัวไม่มีความยินดีอินร้ายในโลกแล้วท่านก็บอกว่าจิตพรากออกจากขันเพราะฉะนั้นจิตพระอรหันต์นี่พรากออกจากขันจิตพวกเราเกาะขันอยู่ถ้าปล่อยก็ปล่อยแป๊บๆนึกออกไหมเวลาปล่อยปล่อยได้แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ไปตะครุบมาใหม่แล้วไม่พรากจากขันหรอกแค่พลัดกันจากขันเป็นครั้งคราวไม่ถึงขนาดพรากจากกัน แค่พลัดจากการไปเป็นคราวๆประเดี๋ยวพอพลัดไปปุ๊บก็กระโดดตะคุบเอาคืนมาแล้วเพราะฉะนั้นพอเจริญสติปัฏฐานเราก็จะเห็นความจริงของขันจนหมดความยึดถือขันถัดจากนั้นพระอรหันต์รู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เกี่ยวอะไรกับท่านเลยแต่รู้อยู่ทำไมต้องรู้อยู่เพราะจิตต้องมีอารมณ์ถ้าไม่รู้อารมณ์บัญญตัติก็ต้องรู้อารมณ์ป a r a m รู้อารมณ์บัญญตัติท่านก็แจ้งว่านี่แค่บัญญตัติเหมือนความฝันเหมือนภาพลวงตาเหมือนพยับแดดเหมือนเปลวหมอกหลอกๆขึ้นมาแวบเดียวก็หายไปพอรู้ปรมาธิท่านก็เห็นว่าไม่เกี่ยวอะไรกับท่านมีอยู่แต่ไม่เกี่ยวกับท่านเพราะฉะนั้นเราภาวนาไปวันหนึ่งเอาให้จิตพรากจากขันให้ได้ไม่ใช่พรากจากขันแล้วจิตออกจากร่างไปหาขันใหม่อย่างนั้นไม่พรากจากขันหรอกนั่นเรียกว่าพลัดจากขัน พลัดไปเดี๋ยวก็ตะคุบเอาอันใหม่ขึ้นมาอีกต้องเรียนต้องค่อยๆศึกษาไปแล้วจะรู้เลยว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวชนี่ร้อยเป็นสายเดียวเรียงร้อยกันงดงามที่สุดเลยธรรมะของพระพุทธเจ้าสมบูรณ์มากสมบูรณ์ด้วยเนื้อหาสมบูรณ์ด้วยถ้อยคําภาษาบาลีบอกว่าสมบูรณ์ด้วยอัฏฐะและพยัญชนะเนื้อหาก็สมบูรณ์ถ้อยคําก็สมบูรณ์สังเกตไหมที่หลวงพ่อจำธรรมะพระพุทธเจ้ามาบอกพวกเรารู้สึกไหม เต็มไปด้วยเหตุผลหลวงพ่อไม่มีอะไรที่สอนให้ไม่มีเหตุผลเลยนะบอกได้หมดเลยอันนี้เกิดเพราะอันนี้อันนี้อันนี้อันนี้เกิดแล้วจะส่งผลไปอย่างนี้อย่างนี้บอกให้ได้ตอนนั้นเลยเพราะพระพุทธเจ้าสอนไว้สมบูรณ์ลําพังสาวกเองไม่ว่าภาวนาเก่งขนาดไหนอย่าว่าแต่สาวกรุ่นหลังๆเลยขนาดอัครสาวกนะความรู้ความเข้าใจก็ไม่ได้เท่าพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรก็ไม่ได้เก่งเท่าพระพุทธเจ้าส่วนปริยัตินี่นะ รวบรวมความรู้ตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาจนถึงพระสาวกชั้นผู้ใหญ่รวมไว้ด้วยกันเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่พวกเราอย่าดูถูกนักปฏิบัติบางคนชอบดูถูกปริยัตดูถูกไม่ได้นะไม่มีนักปฏิบัติคนไหนหรอกที่รู้ทั่วถึงปริยัต ด, ด้วยตัวเองต้องเรียนถ้าไม่เรียนไม่รู้หรอกแต่ถ้าเรียนอย่างเดียวแล้วไม่ปฏิบัติก็จะรู้สึกผิดรู้แล้วจะตีความเพียเพ้ยนไปอีก ฉะนั้นเราภาวนานนะเบื้องต้นเราฟังหลวงพ่อพูดไปก่อนแล้วหัดสังเกตความรู้สึกของตัวเองสังเกตกายสังเกตใจไปสังเกตความรู้สึกก็ได้สังเกตไปเรื่อยวันหนึ่งสติเกิดสติเกิดแล้วเรารู้กายรู้ใจด้วยจิตที่มีสติระลึกรู้มีใจที่ตั้งมั่นใจที่ตั้งมั่นอย่าไปรักษาไว้อย่าไปประคองไว้อย่าไปสร้างขึ้นมานะกระทั่งจิตที่เป็นผู้รู้ก็ไม่สร้างขึ้นมามันจะมีก็ให้มันมีเอง ไม่ใช่ไปจงใจทําขึ้ UNG, นมาเป็นผู้รู้บ้างเป็นผู้หลงบ้างเป็นผู้รู้บ้างเป็นผู้เพ่งบ้างเป็นผู้รู้บ้างเป็นผู้คิดบ้างให้มันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เป็นผู้รู้ตลอดการอันนั้นปลอมขึ้นมาแล้วเป็นของปลอมเราคอยรู้สึกไปเรามีสติรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นซึ่งอาจจะตั้งนานหน่อยหรือตั้งเป็นขณะขณะก็ได้แค่ตั้งเป็นขณะขณะก็พอแล้วที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานถ้าตั้งเป็นขณะรู้สึกตัวแวบ รู้สึกไปแวบแวบแวบแวบขึ้นมาแล้วก็หลงแวบขึ้นมาแล้วก็หลงรู้สึกอย่างนี้นะให้แวบแล้วหลงอย่ารู้ตัวตลอดเวลาถ้ารู้ตัวตลอดเวลาเป็นการเพ่งแน่นอนเลยต้องแวบแล้วหลงแวบแล้วหลงไปทำไมต้องหลงด้วยเพราะภูมิจิตของเราภูมิธรรมของเรายัางหลงอยู่ถ้าไปประคองสติอยู่ตลอดเวลาอันนั้นคือชาณจิตคือจิตที่เพ่งไว้ไม่เดินปัญญาแต่ไปทำสมถะแล้ว หลวงพ่อไม่ได้สอนพวกเรานะว่าให้รู้ตัวตลอดเวลาหลวงพ่อบอกพวกเราให้รู้เนืองเนืองพระพุทธเจ้าก็สอนให้รู้เนืองเนืองรู้กายเนืองเนืองรู้เวทนาเนืองเนืองรู้จิตเนืองเนืองรู้ธรรมเนืองเนืองท่านไม่ได้สอนนะว่าจงรู้ตลอดเวลาห้ามเผลอไม่ได้สอนอย่างนั้นถ้าเราตีความผิดว่าเราจะต้องรู้สึกตัวตลอดถ้าไม่รู้สึกตัวแล้วไม่ดีรู้สึกตัวแล้วดีมีการเข้าคู่กันระหว่างดีกับเลวขึ้นมาแล้วจะเอาอันหนึ่งจะเกลียดอันหนึ่ง นี่เรียกว่ามีอภิชายินดีมีโทมนัสยินร้ายรักอันหนึ่งเกลียดอันหนึ่งไม่มีทางหอกที่จะข้ามพพข้ามชาติทําไมหลวงพ่อสอนให้พวกเรารู้สึกตัวขึ้นมาทันทีที่พวกเรารู้สึกตัวขึ้นมานี่ชีวิตเราจะขาดเป็นช่วงๆทันทีเลยชีวิตของคนในโลกนี้มันหลงตลอดตั้งแต่เกิดจนตายมีแต่หลงหลงแล้วก็หลงหลงแล้วหลงอีกหลงแล้วหลงอีกอยู่นั่นแหละตลอดเวลา มันไม่สามารถจะเห็นว่าจิตที่หลงก็อันหนึ่งเกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปมองไม่ออกหรอกพอมหัดรู้สึกตัวนี่จิตเราตื่นขึ้นมาทันทีที่จิตตื่นจิตที่หลงจะดับทันทีเลยเราจะเห็นจิตหลงดับไปแล้วเกิดจิตที่ตื่นจิตที่ตื่นก็ตื่นชั่วคราวแล้วก็ดับเกิดจิตที่หลงอีกแล้วนี่เกิดดับไปเรื่อยสลับกันไปเราภาวนาเพื่อเอาตรงนี้นะเพื่อให้เห็นตรงนี้ว่าทุกสิ่งเกิดแล้วดับไม่ใช่ภาวนาเพื่อจะเอารู้ ไม่ใช่ภาวนาเพื่อจะเอาตัวรู้เพราะฉะนั้นไม่ต้องรู้ตลอดเวลารู้บ้างเผลอบ้างแต่อย่าเผลอนานจนน่าเกลียดเผลอประเภทดิฉันเผล่วันละครั้งฟังแล้วน่ารักนะจริงๆแล้วไม่ใช่เผล่วันละครั้งไม่มีหรอกนะเผลว่าละครั้งคือไม่เคยมีสติเลยถ้าเรามีสติยิ่งภาวนาเราจะยิ่งเห็นเผลอบ่อยสองวินาทีก็เผล่แล้วอา้าวทดสอบหนึ่งวินาทีเห็นไห้ไหลไปแล้ว ดูไม่ทันก็ช่วยไม่ได้ถ้าดูไม่ทันเอาสิบวินาทีรู้สึกไหมยังไม่ทันสิบเลยไปแล้วรู้สึกไหมไหลไปแล้วถ้าใจไม่ให้เผลอก็เพ่งไว้ไม่ลืมเลยเป็นสมถะเราเรียนเพื่อให้เห็นเลยทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างเกิดแล้วดับพระโสดาบันคือท่านผู้ยอมรับความจริงว่าสิ่งได้เกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาพระโสดาบันไม่ใช่ท่านผู้ที่รักษาตัวรู้ไว้ได้ตลอดไม่ใช่รู้สึกตัวได้ตลอดเวลา พระอรหันต์รู้สึกตัวตลอดเวลาไหมใครตอบได้ไปถามพระอรหันต์ที่ไหนดีพระอรหันต์รู้สึกตัวตลอดเวลาไม่ได้จำไว้นะจิตบางดวงเป็นวิบากจิตจิตบางดวงเป็นมหากิริยาจิตในมหากิริยาจิตท่านมีสติแต่ในวิบากจิตไม่มีสติหรอกฉะนั้นเราอย่าไปสำคัญผิดนะว่าจิตของพระอรหันต์ทุกดวงมีสติเกิดร่วมด้วยทุกดวงไปเรียนปริยัติแล้วจะรู้ไม่ต้องถามพระอรหันต์ที่ไหนหรอก เพราะเราไม่รู้ว่าใครเป็นพระอระหันต์ลองเรียนปริยัติ ด, ดูวันนี้ไงไปเชียปริยัติก็ไม่รู้แปลกธรรมดามักจะไม่ค่อยเชียนะ